บัตินี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงพระพุทธดำรัสที่ได้แสดงถึงสภาวะแห่งทุกข์สัตว์และสมุทัยสัตว์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถถ่ายถอนบรรเทาความทุกข์และกิเลส เป็นเหตุแต่งความทุกข์ให้เบาบางลงไปโดยทรงสอนให้มองดูสภาพแวดล้อมภายนอกตัวเองก็ได้หรือมองจากตัวเองก็ได้ว่าความเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกก็ดีแม้ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองก็ดีทุนแล้วแต่ปรารภรูปเป็นประการสาคัญ คนจึงเดือดร้อนบุ่นวายกันเพราะรูปเป็นเหตุให้รูปได้ความหมายที่ทรงแสดงนั้นก็หมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยดินและถูกต้องด้วยกายตลอดถึงประสาทสัมผัสที่เรียกว่าอาณาจะกรภายในคือตาหูจมูกดินกายของบุคคลก็อยู่ในกลุ่มของรูปรูปเหล่านั้นจึงกลายเป็นที่ตั้ง แห่งความกำหนัดความกัดเคืองความรุ่มหลงความหมวบเมาและอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะประรอบรูปเป็นเหตุนั้นจากทุกธรรมดาสามัญจนกลายเป็นการล้างผลาญและเป็นมหาอุตธสงครามในโอกาสต่างๆเป็นต้นล้วนแล้วแต่มีความยื อ, อยั้งการพ ร, รูป แล้วก็ทำลายล่างพรานกันเพราะรูปเป็นเหตุโดยการทั้งนั้นคำสอนในที่นี้ทรงเน้นไปที่ส่วนของมารกษัตริย์โดยสรุปโดยทรงแนะให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าไปสู่อำนาจของความแก่อีกต่อไปเป็นการแสดงที่ท่านชายสำนวนบาลีว่า ทรงแสดงธรรมมีพระอาหารหัสตเป็นยอดคือมุ่งผลสูงสุดแต่เนื่องจากธรรมปฏิบัติในทางพระพุธศาสนานั้นเป็นสันเลขาธรรมคือธรรมเครื่องขัดเกลาอย่างที่ทราบกันแม้แต่ช่างของความไม่ประมาทก็ทรงสอนในรูปของการขัดเกลาให้ค่อยเป็นค่อยค่อยไปมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประณีตขึ้นสงบขึ้น ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสนั้นลดลงไปจากจิตใจและความทุกข์ก็ลดตามไปเพราะการกลิยาที่แสดงออกก็จะมีความเป็นสุจริตสูงขึ้นและมีความเป็นทุจริตน้อยลงเพระทีจริงการสอนในแนวนี้ก็คือสอนในแนวเหมือนกับเอาน้ําสะอาดไปใส่ใน ในในบ่อที่มีน้ําสุกปรกโดยไม่นําพาถึงความสุกปรกที่มีอยู่ในบ่อจะใช้น้ําที่สะอาดนั่นเองทําหน้าที่สลายความขุ่นคข้นที่มีอยู่ในบ่อคือเน้นไปที่ตัวภาวนานั่นเองแต่คําว่าภ า, ภาวนานั้นก็ทรงสอนไปตามลําดับให้บุคคลพยายามระมัดระวัง ในการกระทําในคําพูดและในความคิดอย่าให้การกระทําเป็นทุจริตเพราะหลายประสิ่งที่เรียกว่าทุจริตนั้นแสดงว่าเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของกิเลสเมื่อเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของกิเลสการกระทําก็เป็นทุจริตเมื่อการกระทําเป็นทุจริตผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นและสิ่งที่บุคคลกระทําก็เกี่ยวกับรูป มันก็ไปเป็นการหมุนชีวิตของตนเองเข้าหาความทุกข์แทนที่จะถอยห่างออกจากความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้ไม่ประมาทในการที่จะเสริมสร้างสุดจิตขึ้นต่างกายทางมัจาทางใจคำว่าสุดจิตก็หมายถึงว่าเป็นการกระทำที่ดีที่งามที่ง่ายต่อการกระทำสำหรับคนดีทั้งหลาย การกระทำในลักษณะนี้ที่จริงก็เกิดขึ้นมากว่าจากความเจือจางเบาบางของกิเลสได้แก่การเพิ่มพูนขึ้นแห่งธรรมะทําให้ควบคุมอาการแสดงออกทางกายทางวิช า, าของตนให้เป็นสุจริตได้แลในตอนสุดท้ายก็มาเน้นที่เรื่องของความเห็นเพราะอะไรเพราะว่าการกระทําก็ดีการพูดก็ดีและแม้แต่ความคิดก็ดีนั้น ตัวการใหญ่อยู่ที่ความคิดเห็นของบุคคลถ้าคนเรามีความเห็นชอบได้ความคิดก็ชอบได้การพูดก็ชอบได้การกระทําก็ชอบได้เนื่องจากการทุกอย่างของความเคลื่อนไหวนั้นเป็นแรงผลักดันของจิตที่ประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลหรือกลางกลางจากการที่จิตถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์ ที่ไม่สม่ำเสมอ น, นี่เองทําไมชีวิตของบุคคลจึงไม่มีลักษณะสม่ำเสมอเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างกลางบ้างสุขมากทุกข์มากสุขน้อยทุกข์น้อยก็หมุนวนกันไปแต่ทำไมท่านที่ปฏิบัติจนเป็นความเห็นชอบอย่างสมบูรณ์จางจึงไม่มีความทุกข์เรียกว่าเป็นผู้คงที่ อันนี้เพราะว่าจิตใจของท่านนั้นสมบูรณ์ไปด้วยธรรมะการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ปรากฏจึงเป็นการเคลื่อนไหวของธรรมะล้วนๆไม่ไว่าจะเป็นการกระทําคําพูดหรือความคิดก็ตามก็เป็นเรื่องของธรรมะการกระทําคําพูดก็เป็นสุจริตผลคือความสุขก็จะเกิดขึ้นจากสุจริตเหล่านั้นที่ว่าที่จริงก็เป็นการอยู่ในกฎของเหตุผล คือแตเหตุดีผลก็ดีเหตุเป็นดีผลก็ไม่ดีและเป็นการเปิดโอกาสกว้างให้แก่บุคคลทั้งหลายที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติเลือกดําเนินชีวิตของตัวเองอย่างที่ทรงแสดงสถานะของพระองค์ว่าตถาคตเป็นได้เพียงผู้บอกให้เท่านั้นต่อการปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามเป็นเรื่องของพูกเตือทั้งหลายที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยตัวเอง แต่ใครก็ตามที่มีความเพียรพยายามเพ่งพินิษอยู่ก็จะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของมารได้หลุดพ้นจากอำนาจของรูปธรรมดังที่กล่าวแล้วได้ดังนั้นเรื่องความเห็นชอบที่สงใช้คำว่าไม่ประมาทในการละมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิด บำเพ็ญสมาธิิคือความเห็นชอบไปบังเกิดขึ้นเพรที่จริงความคิดสองฝ่ายนี้ก็เป็นปฏิปักษ์กันคือเป็นศัตรูกันถ้าฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งก็ต้องดับไปในแนวการสอนบางครั้งก็สอนเฉพาะสมาธิที่เรียกว่าสอนแนวภาวนาแต่ในที่นี้สอนทั้งสองแนวคือเรียกว่าแนวปะหาหนะคือละความชั่ว และภาวนาคือการประพฤติปฏิบัติความดีซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นพอถึงความไม่ประมาทในช่วงที่สามจึงเป็นเรื่องของความละเมศระใหม่ที่จะต้องอาศัยสติสมัมมจัญญาความเพียรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉับพลันสามารถวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะได้ และปฏิบัติต่ออารมณ์เหล่านั้นได้ไปตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์ว่าจริงแล้วก็ต่อกรณีของการกําหนดอารมณ์เพราะอารมณ์ก็คือเรื่องของอารมณ์แก่เป็นอย่างที่แกเป็นก็อยู่อย่างที่แกอยู่ก็มีอย่างที่แกมีแกก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่โลกมีโลกเตียงแต่บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์เหล่านั้น คำว่าอารมณ์ในความหมายนั้นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายและนำมาตึก น, นึกด้วยใจนั่นเองเรียกว่าอารมณ์บางครั้งท่านต้องการเรียกให้ชัดท่านเรียกว่ารูปอารมณ์อารมณ์คือรูปสัทธารล์อารมณ์คือเสียงคันธารลมอารมณ์คือกลิ่นรสสารล์อารมณ์คือรสปุถารล์อารมณ์คือเยดอดนองแข็งที่บุคคลกระทบด้วยกายและธรรมอารมณ์กอารมที่เกิดจากใจ ได้แก่ใจเป็นเหนียวนึกไปเก็บของเก่าๆขึ้นมาตรุกนึกบางครั้งท่านอุปมาให้เห็นลักษณะของธรรมะลมว่ามันเป็นเหมือนกับลิงที่เคี้ยวกินอาหารแต่ส่วนหนึ่งก็กลืนเข้าไปไว้ในท้องแต่ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ที่ก็พุ้งแก้มแต่ในขณะเดียวกันแกก็กินต่อไปเมื่ออาหารข้างนอกหมดแกก็เอาอาหารส่วนที่เก็บไว้ที่กรพุ้งแก้มมาเคี้ยวต่อ ใจยังทำหน้าที่เคี้ยวกินอารมณ์ปัญหาสำคัญอยู่ที่บุคคลรับอารมณ์อะไรแล้วก็เก็บอารมณ์อะไรไว้ใจแก่ใจแก่ก็จะเหนี่ยวนึกถึงเรื่องเหล่นั้นดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในชั้นของการเหนี่ยวนึกหรือการฝึกนึกที่เราเรียกวิตกหรือบางทีก็เรียกว่าสังกับปะวิตกก็คือความตรึก สังกัปะก็คือความตำริหรือความคิดก็คือเรื่องเดียวกันแล้วก็จะออกมาเป็นสองสายด้วยกันคือสึกนึกในฝ่ายดีบ้างฝ่ายไม่ดีบ้างแต่ที่จริงการที่บุคคลไปสึกนึกดีบ้างไม่ดีบ้างนั้นไม่ใช่ว่านิ่งๆสึกนึกเฉยๆมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของบุคคลที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองคือถ้าบุคคลผ่านพบสิ่งที่ไม่ดี แล้วไปรับไปเก็บสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ความคิดของเขาก็จะไม่ดีเมื่อคิดไปก็จะเกิดความรู้ความรู้ก็จะไม่ดีแล้วบุคคลก็ตามไปตามความคิดที่ตนรู้การกระทําก็จะเป็นทุจริตคือหมุนกลับเข้าสู่ความทุกข์ดังกล่าวแล้วในตอนตอน้นดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเพื่อขจัดหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ไว้หลายระดับด้วยกัน เฉพาะในที่นี้ทรงเน้นไปที่สติระลึกรู้ทันอารมณ์ได้แก่การไม่กําหนดอารมณ์ให้เกิดปัญหาแต่ในขณะเดียวกันถ้าใช้ปัญญาเข้าไปกําหนดก็อารมณ์นั้นนั่นเองแต่กําหนดอีกทีหนึ่งเป็นการลดละเกียรติคือกําหนดแล้วไม่เกิดปัญหาเพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์ปัญหาสําคัญอยู่ที่การกําหนดอารมณ์ของบุคคล แว่ากำหนดให้เกิดกิเลสเพิ่มกิเลสก็กำหนดได้กำหนดไม่ให้เพิ่มกิเลสลดากิเลสก็กำหนดได้แต่ว่าการจะกำหนดได้หรือไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับใจของบุคคลนั้นอย่างที่ทรงแสดงโดยภาพ ร, มรวมๆว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่ความชั่วคนดีทำได้ยากเพราะการตัดสินยากง่าย จึงไม่ได้อยู่ที่สิ่งซึ่งเราทำแต่ไป็นการตัดเป็นการตัดสินจากคนผู้ทำกรรมนั้นจะทำง่ายหรือทำยากแปาความชั่วเป็นหลักถ้าคนดีก็ทำความชั่วยากแต่ถ้าคนชั่วก็จะทำความชั่วง่ายพอ ม, มาถึงความดีเป็นหลักคนดีทำความชั่วง่ายแต่คนชั่วทำความดียากซึ่งแสดงเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของบุคคล ได้ตัวการสาคัญก็คือใจของบุคคลเหล่านั้นแต่การสอนให้รู้เท่าทันขณะของอารมณ์ที่ผ่านมากระทบนั้นกำลังคือสติสัมมาจัญญาและความคีเพียนจะต้องเป็นไปอย่างแรงกล้าคือสติจะต้องรู้เลึก ร, ร, ร, ร, ร, ร, รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นในขณะนั้นนั้นข้อนี้พ่งสังเกตว่าที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงปรับความคิดสอนปรับความคิดได้รวดเร็ว ทันกักรณีเหล่านั้นมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอารมณ์ของกรรมาฐานเช่นฝึกให้ระลึกรู้ทันลมหายใจเข้าออกฝึกให้รู้ทันอริยาบททั้งหลายยืนเดินนั่งนอนในขณะยืนก็รู้ว่ายืนในขณะนั่งก็รู้ว่านั่งในขณะนอนก็รู้ว่านอนในขณะเดินก็รู้ว่าเดินแล้วก็รู้ในความเคลื่อนไหวแห่งอริยบททั้งหลายจะเป็นอริยบทใหญ่ทั้ง4ประการดังกล่าวและอริยาบทย่อย แต่อย่างนั้นเป็นการฝึกปลือให้สติสัมปชัญญะและความเพียรทํางานได้รวดเร็วพระลมหายใจก็เร็วความเคลือ่อนไหวก็เร็วแล้วก็จะเร่งความเร็วขึ้นไปโดยลาดับพอมาถึงพวกกลุ่มของวิปัสสนากลุ่มของเวทนาจะเห็นว่าเวทนาที่บังเกิดขึ้นคือความสุขความทุกข์เฉยเฉยที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล น, นั้นเกิดขึ้นเร็วแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเร็วถ้าจะเทียบเคียงแล้วมันก็เร็วกว่าที่เกิดขึ้นกาย เมื่อบุคคลระลึกรู้ทันในตัวเวทนาได้เพรอมาสอนให้รู้ที่จิตจึงเร็วขึ้นแต่าจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะเป็นต้นนั้นหมายความว่าการที่บุคคลจะระลึกได้ทันในลักษณะนั้นโดยไม่ให้ปัญหาเกิดเสียก่อนแล้วจึงไปแก้ปัญหาแต่เป็นการระลึกแล้วตัดปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้ สติสมัมปชัญญะและความเปลี่ยนของบุคคลนั้นก็ต้องเร็วและเมื่อนำไปใช้ในส่วนกรณีของอารมณ์ที่มากระทบในขณะนั้นๆจะเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสกายถูกต้องยุด น, นอนอ่อนแข็งก็ตามท่านสอนให้ระมัดระวังใจอย่าให้เพิ่มกิเลสอย่าให้เพิ่มความกำหนัด ความรักใคร่พอใจยินดีเพลิดเพลิน อ, อยากได้ปรารถนาะต้องการและโมบเป็นต้นคือสรุปว่าไม่ให้เกิดความรู้สึกข่อยคว้าปรารถนามากเกินไปแต่ในการปฏิบัติระดับสูงจริงๆนั้นก็คือตัดกระแสของความอยากไปเลยที่ย่น้อยที่สุดในชั้นที่จะควบคุมความคิดไม่ให้เกิดการข่อยคว้าปรานะรถนาอารมณ์มากเกินไป ก็จะเป็นการตัดรอนกาลังของกิเลสให้มีกำลังน้อยลงโอกาสที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อ จ, จิตใจก็น้อยตามไปด้วยและระวังใจอย่ายให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองจะนด้กล่าวมาแล้วว่าอารมณ์นั้นแกเป็นกลางๆจะให้เป็นที่ตั้งของความขัดเคืองหรือความกาหนัดนั้นขึ้นอยู่กับใจเราไปกาหนดอารมณ์เหล่านั้นเองไปจะกาหนดแกยังไง ถ้ากำหนดในแนวอดทนความกัดเคืองก็ไม่เกิดกำหนดในแนวเมตตากำหนดในแนวการให้อภัยกำหนดในแนวความสงสารกำหนดในแนวกฎของกรรมไอความกำหนัดความเกิดเคืองนก็ไม่เกิดแต่ถ้ากำหนดว่าคนนั้นได้ด่าเราคนนั้นประหารเราคนนั้นประทุษร้ายเราคนนั้นเป็นศัตรูตัวยาติมิตรของเราคนนั้นเป็นพรกพวกต่อศัตรูเราเป็นต้นความเกิดเคืองก็เกิดแต่เนี่ขึ้นอยู่กับการกำหนด การกําหนดว่าเราจะแยกได้หรือแยกไม่ได้ก้อนนี้เพื่อสังเกตว่าถ้าปัญญาเข้าไปสอดแทรกในช่วงนั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งได้บุคคลก็จะแยกไม่จะตัดปัญหาบางประการลงไปได้ก้อนนี้เพิ่งสังเกตแล้วนะลักษณะของความคิดที่เป็นความขัดเคืองเช่นบุคคลอาจจะไม่ชอบลูกของตัวเอง ที่ไม่อยู่ในโอวาทและบางทีก็ลามพ า, าไปถึงลูกของลูกคือเกลียดแม้แต่หลานตัวเองนี่แสดงเห็นว่าความกัดเคืองนั้นมีกําลังมากจนไม่สามารถใช้ปัญญาไปแยกได้เพราะเป็นคนละเอียดคนละผลคนละกรรมคนละกรณีกันความผิดของลูกมันไม่ได้เกียวกับหลานหลานก็คือหลานลูกก็คือลูกเพราะงั้น แม้จะยังโกรธหลานแต่ก็ไม่โกรธลูกแม้จะยังโกรธลูกแต่ก็ไม่โกรธหลานคือแยกออกไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าปริมาณของปัญญาสูงขึ้นกว่านั้นในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก็ให้อาภัยได้อดทนได้แล้วก็แผ่เมตตาจิตจนสลายความรู้สึกขุ่นมัวเศร้าหมองที่มีอยู่ภายในใจลงไปได้ความเมตตก็เกิดขึ้นได้อย่างสืบเนื่อง ไปถึงพันยาสามีของลูกไปถึงลูกของลูกไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับพันยาสามีของลูกนี่เราจะเห็นว่ากลุ่มคนนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันคืออารมณ์เดียวกันแต่ว่าใจคนไปกำหนดอารมณ์ได้ไม่เหมือนกันความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกาหนดอารมณ์ก็แตกต่างกันถ้ากาหนดในแนวที่มีธรรมะเข้าคุมมีปัญญาเข้าคุมมีเมตตาเข้าคุม สติสัมปชัญญะเข้าขง ม, มันก็จะช่วยให้บุคคลลดความรุนแรงลงไปได้โดยลาดับ ด, บดบการกําหนดได้เป็นความขัดเคืองจึงอยู่ที่ใจคนไม่ได้อยู่ที่ตัวอารมณ์ก็ด่าว่าอะไรรุนแรงก็ได้ถ้าไม่ขัดเคืองมันก็ไม่มีอะไรอย่างบางครั้งในการการณีกําหนดในแนวของความอดทนอย่างเช่นตอนที่ นางพระนางมาคันธยาจ้างคนด่าว่าพระพุทธเจ้าเนื้อกูสวัตถุสิบประการจนพระอนุนเองก็เดือดร้อน <c oughs> ก็อยากจะหลีกหนีทอดคำดา่าเหล่านั้นเพราะไปถ น, นนไหนก็เจอแต่คนดา่าพระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลว่าวิธีนั้นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะถ้าไปเมืองอื่นก็ด่าอีกก็ต้องหนีเรื่อยไปนั้นการแก้ปัญหาก็คืออยู่ในที่นั้นจนหมดปัญหา ที่มาจากภายนอกแต่ว่าสนใจเรานั้นก็ทําทําทําความรู้สึกว่าเหมือนกระช่างศึกที่เข้าสู่สงครามเวลาเข้าสู่สงครามมันต้องมีอาวุธมีห อ, อกซัดมีทั้นโนมีมีดเหลาแลนเป็นต้นที่ถูกซัดถูกจริงถูกพุ่งเข้ามาจากทิศทั้งสี่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์นั้นเพราะว่าในโลกเนี่ยมีคนผ่านอยู่มาก พฤติกรรเสียดแทงดาว่าจากพายรายกา้กาดพฤติกรรมทด่เหมาะสมต่างๆเป็นต้นมันก็เกิดขึ้นมาจากคนผ่านนั้นแต่ถ้าบุคคลลงไปสู่ภาคสนามคือขึ้นเวทีเดียวกับคนผ่านล้วก็กลายเป็นคนผ่านด้วยเหมือนในเวทีมวยนักมวยมันก็ต่อยกับนักมวยแต่ไม่จะต่อยกับกรรมการเวลาคนพ่านกับคนผ่านเมื่อต่อสู้กันก็แสดงว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนผ่านคือต่อสู้โดยวิธีเดียวกัน เรแสดงว่าทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนผ่านแต่ทีนี้ถ้าหากพวกคนที่เป็นบัณฑิตเาก็จะระวังจิตของเขาเองแก้ปัญหาที่ตัวเองไม่คิดไปแก้ที่คนอื่นโดยระวังใจอย่าให้ขัดเคืองแม้จะขัดเคืองก็อดทนเอาไว้จนหนับไปได้แล้วก็มีเมตตาจิต ม, ม, มีเมตตาเป็นฐานจิตได้ให้วางใจระวังใจอย่าให้หลงความหลงนั้นจะพบว่าในชีวิตประจําวัน มักจะออกมาในรูปของความเครื่อแปรงสงสัยที่เราเรียกวิจิกิจชาวิจิกิจชาในวรจึงเป็นอาการของความหลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นทำยังไงอย่าให้หลงถึงวิธีการเหล่านี้ท่านสอนไว้เป็ น, นแบาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลักของโยนิโสพนัสิการหรือคติไทยที่ผุรหลฟังหูไหว้ เรือเราพูดว่าห้าสิบห้าสิบรับฟังไว้ห้าสิบแต่ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบอีกห้าสิบเพื่อไม่เสียการทรงตัวในข้อนี้จะพบว่าเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ยากเพรา ะ, ะไรเพราะพื้นใจของบุคคล น, นั้นถูกโมหะคือความหลงครอบความครอบงำไว้อย่างที่ท่านแสดงว่าโลกนี้ถูกโมหะ พ่อเอาไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดเนื่องจากไม่มีปัญญาเห็นไปจักตามความจริงในสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นคนที่รู้ตัวอยู่ในที่มืดแล้วก็ต้องพยายามแสวงหาแสงสว่างเพื่อสอกฐานให้เดินได้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ตัวทั้งๆ ท, ง ท, งที่อยู่ในที่มืด แล้วก็คงเป็นปัญหาอยู่ตลอดไปข้อนี้ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะปฏิบัติจะเห็นว่าปากรังทรงสแสดงที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือธรรมะที่เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วมีความเคลื่อนไหวแล้วเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นๆแล้วจึงทรงสแสดงว่าคนโง่ที่ไม่รู้สึกตัวเป็นคนโง่นั้นเป็นคนโง่โดยแท้ แต่คนโง่ที่รู้สึกตัวว่าตัวเองยังเป็นคนโง่ อ, อยู่ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนฉลาดได้นี่หมายความว่ายัางไงหมายความว่าคนที่อยู่ในที่มืดถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในที่มืดมันก็มืดอยู่ตลอดไปแต่คนที่อยู่ในที่มืดถ้ารู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในที่มืดก็จะพยายามหาทางเข้าสู่ที่สว่างให้ได้แล่ในที่สุดเขาก็จะมีทางเดินในชีวิตของเาเองได้ ลักษณะของโมฆะที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทําให้อุคนิเป็นผ่านธรรมากก็ทําให้เป็นผ่านที่สมบูรณ์คือไม่รู้ ท, ท, ทั้งๆที่โง่แต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวตั ว, ตวเองโง่หรือถ้าหากว่าจิตใจเขามีความดีมากกว่านั้นคือมีการใช้ปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งได้โอกาสที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงมีได้นันหลักของ การวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เพื่อไม่เพิ่มภูมความหลงพอทรงสอนอย่างน้อยที่สุดให้มีปัญญาระดับโยนิโสมณสิการคือการนําสิ่งเหล่านั้นมาคิดพินิจพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยกฎเกณฑ์ของการพิจารณาเทียบเคียงสิ่งเหล่านั้นและแต่ว่าจะไปพิจารณาเทียบเคียงในเรื่องอะไรอาศัยข้อมูลหลักฐานเหนือวิชาในสายดังนั้นก็ามาเป็นเครื่องกําหนดพิจารณาเทียบเคียง และจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นข่าวคราวต่างๆหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะผ่านมาทางใดก็ตามจะต้องใช้หลักของอยู่ในโส ม, มนณสิการก็นี่ผนสังเกตว่าแม้ธรรมะในพระพุทธ ศ, ศาสนาเองธรรมคุณก็แสดงว่าเอหิปัสสิโกคือเจอได้มาพิสูจน์ทดสอบมาตรวจสอบดู ก็หมายถึงว่าเชิญชวนให้บุคคลได้ใช้ปัญญาพิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นว่าจะเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงไว้หรือไม่เมื่อเป็นจริงก็นําไปปฏิบัติตามที่ทรงแสดงไวเห็นว่าข้อใดที่ทรงสอนให้กําหนดรู้ถึงความจริงก็ต้องกําหนดรู้อย่าไปทําอย่างอื่นเพราะถ้าไปทําอย่างอื่นแล้วจะมีปัญหา เช่นอะไรเช่นว่าชีวิตร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติจะทรงใช้คำว่าเอวังธโมเอวังภาวเอวังนติโตคือภาวะมันเป็นอย่างนี้สภาพธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าบุคคลเพียรพยายามละร่างกายหนักข้ามมันอาจจะถึงข่าร่างกายคือข่าตัวเองแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาก็กลับเป็นการสร้างปัญหา แต่ถ้ากําหนดรู้ถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ในชีวิตของบุคคลจะเป็นความจริงที่เรียกว่าเป็นสภาวะคือเป็นความจริงอย่างนั้นเองเวลาคนจะเกิดขึ้นในยุคใดสมัยใดก็ตามก็ต้องมาตกอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้แล้วก็จับปรับใจให้ยอมรับความจริงได้ความทุกข์ก็จะบรรเทาลงไปไว้ในส่วนอื่นๆที่สอนไว้คือหมายความว่าสอนไว้อย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้น แล้วบุคคลจะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติของตนแต่ในที่สุดก็มาสรุปที่ความไม่ประมาทอีกทีนึงให้เราสังเกตว่าตลอดทางข้องการสอนนั้นจะควบคุมไว้ด้วยความไม่ประมาทที่ตรงใช้คำว่าระวังใจอย่าให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอารมณ์เป็นอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาก็คืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เราจะเห็นว่าพวกโลคิอารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์โลกทั้งหลายนั่นมันเกิดความประมาทได้ง่ายมันมีความสนุกมันมีความคึกขนองมันมีการยั่วยุมีการยั่วยวนนะทำให้คนขาดสติพลังเผลอพลังพลาดจนเกิดเปน็นอันตรายขึย้นมาได้จะมีขราวคราวการเต้นรํากันแล้วก็เกิดอาคารอัธิจาร์เหล่านั้นพังทับลงมาตายไปนั้นมากเนี่ย ในการแสดงเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกำหนัดจนเพลิดเพลินเพลิดเพลิ น, พลนจนหลงลืมหลงลืมจนพลังพลาดพลังพลาดก็กลายเป็นอันตรายเป็นอาการที่รุนแรงขึ้นของความประมาทภายในใจของบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมหลนั้นแม้แต่การใช้ ย, ยานพานะเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ต้องอิงอาศัยความไม่ประมาทแต่ความไม่ประมาทเกิดขึ้นในช่วงใด อันตรายต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมาในช่วงนั้นเมื่อบุคคลเพียนพยาญาทำใจของตนเองระมัดระวังใจได้โดยในยะนี้อารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดคลายความกัดเคืองคลายความรุ่มรวงและคลายความบวกเมา่าก็พยายามศึกษาเพิ่มพูนอารมณ์เหล่านี้ขึ้นแล้วเกลียบค้นแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตน แต่นี่ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุนตปอบ